สี่สห้าพรราหรือสีส่้าปีที่ตุ้งเระยนาท้านท่านได้สันงสอน ในเรื่องของความคิดนะมีความหลากหลายแตกต่างกันดะงนั้นวิธีการสอนหรือความเน้นย้ำที่ผู้ใต้รับสอนในแต่ละกลุ่มเก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ถึงจะแตก ต, ต่างไปอย่างไรนะั้นผู้โดยก็บอกว่าหนึ่งไรมนุษย์เองหรือว่าสัตว์ต้นหลายเนี่ยก็มีความเหมือนกัน พอเหมือนกันในในฐานะที่มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายนะในการมีการเกิดแก่เจ็บตายเนะี่ยพระพุทธองค์บอกว่าคือเป็นสถานะเพื่อนร่วมทุกข์กันมนะนะีมีทุกข์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่คนตื่นใหญ่ ที่ว่าการเกิดนี่เป็นความสุขะเวลาลูกเกิดนี่ก็เป็นความสุขแต่จริงคนเป็นแม่ก็จะรู้ว่าขณะที่มีลูกหรือขณะที่คลอดลูกตัวองก็เกียดตายเหมือนกั น, นเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาสบายนะนะเหมกันบางทีเด็กบางคนก็เสียชีวิตขนาที่กำลังคลอดเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องไห้นะ แต่ก็่าตทพี่น้องคนไหก็สุขใจนะขึ้นก็ก็อาจจะธรรมดานะของชีวิตครอบครัวก็ลูกคงเป็นความสุขนะอย่าง น, นในชีวิตหรือว่ามาเติมเต็มชีวิตต้องให้มีความสุขขึ้นนะหรือว่าอาจจะเติมเต็มความรู้สึกความเป็นพ่อความเป็นแม่มากขึ้นนะจนเราก็รู้สึกนะว่าการ เมื่อพอเรามีลกูกเรากสามารถทำให้ทุกอย่างอันนั้นก็คือนด้วยความรักของของเราที่มีกับกับลกนะูกเราสามารถทำได้ทุกอย่าง น, ะนอนหลึกหาเงินหาทองดูแลเขาตอนเจ็บไข้ป่วยนอนก็นเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนคิดขนาดว่าถ้ามีอะไรตีก็ตายแทนลูกก็ได้นะถ้า มันเลือล่อนไา้จริงๆคิดว่าพ่อแม่เิดใหญ่ก็เป็นแช่นนั้นเหมือนเพื่อเราได้สวดพระสูตรเมื่อกี้พรพุทธพูะพุทธองคถ้าแบบนักบวชผู้บวช ด, ด้วยศรนะัทธาที่จริงถ้าแม้บางคนไม่ใช่เป็นนักบวชนะแต่ถ้าอยาก ป, ปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาจริงๆนะพพุทธองค์ท่านบอกเลยแม้หนังเองก็ดู เลือดเนื้อยจะเหมือนแอบไปก็ตามก็เรียกว่าตลาดตลาดชีวิตนี้ก็ได้นพราะฉนั้นะความรักนะความรักของพ่อแม่ที่มีลูกก็ไม่ต่างจากความรักของของนัก บ, บวชหรือที่จริงถ้าจะเรียกว่าความรักของคนที่สนใจในาการกรนะตุ้รทำจริงๆเนี่ยเรียกว่าเอาชีวิตมามาแลกไปได้นะเพราะฉะ น, นั้นความรัก กับความศรัทธาที่จริงกเงินก็ ค, คล้ายๆกันเรารักใครเรารักสิ่งใดเราก็สามารถทุ่มเทนะทุ่มเทให้กับสิ่งที่เรารักแต่ในภาษาอาจจะเรียกว่าศรัทธานเราเชื่อมั่นเราเชื่อใจเราฝากความหวังไว้กับสิ่งใดเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นแม้ ในชีวิตของเรานะมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราแตะเอาไปบูชาสิ่งนั้นนะแต่ก็อย่างว่าศรัทธามันก็ต้องมีปัญญามากักำับ น, นะถ้าเรามีแต่ศรัทธาเราไม่มีปัญญามากำับมันจะกลายเป็นความรากักหรือว่าความศรัทธาแบบงม ง, งายนะเรายอมตายแทนเขาได้ทุกอย่างทั้งที่บางที เขาก็ทำสิ่งที่ผิดตรงนี้คือเราสันทากับบุคคลกับรัฐที่ในแต่บางทีเราไม่ได้ตรวจสอบว่าบางทีรัที่นั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สอนถูกเลยทีเดียวแต่เราก็ทุ่มเทเงินทองทุ่มเทชีวิตของเราืทพ่มให้กับเขาเป็นทั้งหมดบางทีก็เราก็ถือว่าเราได้ ทำในสี่ที่เราตั้งใจศรัทธาก็จริงนะแต่บางทีมัน ก, มนก็มันก็ไม่สามารถทาให้เราถึงมรรคผลที่พานได้ก็มีนะเพราะศรัทธานะั่ถ้ามันมีมากเกินไปความรักถ้ามีมากเกินไปมันก็เหมือนคนตาบอดได้นะอืมตาบอดเขาพูดอะไรมาก็เชื่อนะเขาชวนอย่างไรก็เชื่อนะนั้นศรัทธาที่ดีต้องมีมีปัญญา คอยจำกัดนะปัญญาจะคอยจำกัดได้อย่างไรนะมันก็ต้องมีส ต, คตนนะิคอยเตือนคอยเตือนอย่างในการทำกระสูตพกพระองค์ท่านไปสอนหมู่ชนชาวคุยุนะชาวเร์ธชาวก า, กาลามัเนะก็มันมีคนไปเผยแพร่ดักนิี้มากมายนะชนตอนนั้นก็สงสัยอะไรถูกอะไร ผ, ผิดทำไมสอนคนน่าแบล้นะ สอนต่างกันสไหยก่อนก็อาจะมีสอนที่มวยชายยันนะจะได้พ้นจากบาสนอพระพุทธเจ้าก็สอนอีกแบบนึ่งนะหรือว่าอา ท, ที่อื่นก็สอนอีกแบบหนึง่งให้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นไม่เป็นแบบนึง่ลงลมค ง, งฟ้าเลยนะไม่ต้องทำผิดอะไรต่างๆเลยมันก็มีคําสอนอหลายหแบบพระองค์ก็สอนนะอยากคือมีเชื่อ อะไระก็อย่าก็ตามอย่าพึงเชื่อแม้เขาเล่าสื่อต่อกันมาอย่าพึงเชื่อแม้อ้างมาจากตำราอย่าพึงเชื่อแม้มันเข้าได้กับทิกฐิในหั้ที่ของตนอย่าพึงเชื่อแม้คนนั้นเป็นสมณะอย่าพึงเชื่อทุกอย่างคือฟังไว้ก็ได้นะแต่อย่าพึนเชื่อคำว่าอย่าพึนเชื่อไม่ใช่ปฏิเสธทันที แต่อย่าเพิ่นเชื่อคือให้เราลองใช้สติพิจารณาหรือว่าบางขนาดบางอย่างคิดเรี่ยวไม่ได้ก็ต้องลองทำเมือ่อพิจนารณาแล้วหรือทำแล้วทำไปแล้วมันเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อนั้นตรถึงถึงเชื่อนะถ้าเป็นกุศลก็เชื่อได้ถ้าเป็นอกุศลก็คุณละมันเสียอันนี้กุศลอกุศลเกิดขึ้น ในจิตใจเราก็รู้นะหรือว่าที่จริ ง, ถ, ถ, ถ, ถ, งถ้าติ่งที่พุทธจ้าท่าสอนท่านก็สอนมากกว่าแค่ว่าให้รักอกุศลหรือว่าให้ทำกุศลนะนะถ้าการจะทํานั้นๆมันเป็นไปเพื่อเพื่อความดับทุกขนะ์เป็นไปเพื่อความคล่ำทุกข์อันนั่นแหละคือทางแห่งพระนิพพานนะแล้วขัดสั่งนะนะนะสอนบางที มีมากมายหลายอย่างนะวิธีการในหลายตำแหน่ง ก, ก็แตกต่างกันอบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันถูกกระติกกับเราจนต่อเมื่อเราต้องลองทําก่อ น, นในรูปแบบในวิธีการต่างๆเราต้องเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวกดลองดูอทําไปแล้วมันเกิดผลอย่างไรกับเราทําไปแล้วสติมันเกิดขึ้นไหมทาไปแล้วอ ควาเพียนต้นเมมูนะ่มพูนไหมนะทำไปแล้วมันมีสมาธิไหมทำันแล้วเกิดเปัญญางไหมนะนะเราต้องลองกับตัวเราลองทํำดูเมื่อทําไปแล้วเราจะรู้เอกว่าอทําแบบนี้มันเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันสบายมันทําได้เรื่อยๆขนัดเราหรือทําแบบนี้แล้วมันยิ่งตื้นอัดนะมันยิ่งมันยิ่งรู้สึก ไม่สบายนะทําไปแล้วทำไมปฏิบัติธรรมแล้วไหนว่าจะให้พ้นแต่วความทุกข์กับยิ่งทําก็ยิ่งทุกขนะ์ทุกข์เพราะความเครียดทุกข์ความเหนื่อยนบางทีมันก็เกิดแบบนั้นนะแต่บางทีทำใหม่มันอาจจะไม่ได้ทำถูกตลอดนะะบางทีถ้าเราท่านอาจจะสอนถูกแต่เราแบบักผิดอนะไรเนี่ยมันก็อาจจะทําทำแล้วเครียดทำแล้วทุกข์เพราะเก่า แต่ถ้าเราก็าจากสักถูกแล้วนะแล้วก็ลองทําไปแล้วนะแต่ถ้ายังมันมันยังเครียดมันยังตือนตรอยู่ก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ถูกกับเจิตนิสัยของเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นคำสอสอนท่านก็อาจจะไม่ผิดแต่เป็นว่าอาจจะไม่ถูกกับเจิตนิสัยของเราก็ได้นะนั่นเราก็ต้องลองทอําดูนะเพราะจะจริงมันก็มีหลายรูปแบบให้เราได้ลองเรียนรู้แต่ก็ การปฏิบัติธรรมนะแต่สิ่งที่สำคัญนอกจากเราทำในรูปแบบแล้วมันมันทำได้ไม่สุดขั้นมากแล้วก็ทำได้เรื่อยๆแล้วแต่สิ่งที่สำคัญการปฏิบัติมันต้องเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันิคงเรไม่ได้เลยนะเ น, ะนี่ยบางทีอคนนี้ปฏิบัตินี่ดีนะแต่พอจะเอาไปใช้ต่อในชีวิตจริงของเร า, าเอาไปทำต่อไม่ได้ ใช่ไ ม, มันมันมันก็เลยแบบเราก็สามารถปฏิบัติได้แต่ต อ, แบบอตอนที่เราทําในรูปแบบหรือตอนเที่เรอยู่ในคลอดแต่พอเราออกไปข้างนอกทําไมมันปฏิบัติไม่ได้คนะนหนึ่งไม่รู้เราอเจจียังเข้าใจไม่หมดหรือเปล่านะหรือเราไปยุบไปใช้ต่อไม่ได้นะแต่ที่จริงพระพุทธองค์ท่านสอนให้เราเรีกว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนะ ต้องทําให้มันต่อเนื่องนะต้องแต่จีนเป็นหลักนะหรือเป็นหลักทําให้มันต่อเนื่องที่ได้นะมันถึงจะเกิดผลนะแต่ถ้าทำเพียงแค่ช่ชวงขนะดที่จริงมันก็เกิดผลไปเกิดผลก็แค่ช่วงขะนาะดหรือว่าเกิดผลไม่มากนะักนะแต่ถ้าเราทําแบบต่อเนื่องนะสามารถเอาเอาธรรมะ ไปใช้ในชีวิตนะชีวิตกับธรรมะนี่ไม่แยกกันะบางคนอันนี้เรื่องทาโรคก็ใช้วิธีการแบบลบโร ค, โรคนะอันนี้เรื่องทาทธรรมก็ไปเอาธรรมะไปใช้บางทีพอเราแยกโรคกับแยกธรรมเนะี่ยมันมันก็เลยเราก็เปเป็นคนเหมือนตึงๆนะ <c oughs> ถ้าเป็นฝาสตก็เหมือนขึ้นบกขึ้นน้ำ แต่วหายน้ำก็ไม่เก่งมากนแต่บิ่งเบนบกก็ไม่เร็วมากะเหมือนเป็ด น, นะทาได้หลายอย่างไปบินก็ได้ไปลอยน้ําก็ได้นะไปเดินก็ได้แต่ก็ไม่เก่งมากะแต่ก็ยังดีที่ก็ทําได้หลายอย่างแต่บางทีถ้าเราเข้าใจหลักธรรมจริงๆนะแม้เราเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกนะเราก็ไม่ไทิ้งธรรมนะ เราก็ไม่ทิ้งธรรมะเราเอาการงานเอาหน้าที่ต่างๆที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยหละแต่เราก็เอาธรรมะไปไปประกอบในการใช้ชีวิตนใช้ชีวิตโดยการที่มีธรรมะเข้าไปประกอบประกอบแบบไหนแต่น้อยสินเราก็ต้องมีนะเคนปฏิบัติธรรมถ้าถ้าสิน อข า, าแค่ติดห้าเนี่ยนะไม่ต้องสิบแปดก็ได้นะสาหรับคาราว่าแค่สิบห้านี้ก็ก็เรียก ว, ว่าเป็นหลระระประกันที่เราจิตใจเราไม่ขุ่หมัวนะถ้าคนที่ปิดสิงเนะ่จิตใจแจแต่ไม่ค่อยสงบจิตใจจะฟุะะจจะ้งซ่าหรือว่าจะมีตกกังวลง่ายนะแต่ถ้าเราปิดถ้าเราไม่ปิดสิเ น, นี่ยจิตใจเราจะมีความสุขนมีความสงบ นในความสุขเนี่ยจะเป็นเกตุให้เกิดความสงบนะเราจะมีความสุขที่รู้สึกว่าไปไหนเราก็ไม่หวาดกลัวไปไหนเราก็ไม่รำแบกนะไปไหนเราก็อหรือที่จริงถ้าศีลในหน้าที่การงานะถ้าเราไม่ไม่ทุจริตถ้าเราไม่ผกผ่องในหน้าที่โดยที่เจตนานนะเราไปที่ไหนเราก็รู้สึกไม่กลัวนะ ใครไปมาตรวจสอบใครไปมาว่าอย่างไรใครไปมาเตอหนิอย่างไรเรารู้แก่จว่าเราด้วยผิดเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนนะเราก็ไม่วไหวั่นไหวนี่ยความมีหินก็คือความไม่วไหวั่นไหวหินมาแต่ําว่าศิลาสีลาไปว่าหินนักที่มันหนักแน่นไม่วไหวั่นไหวนั้นถ้าพวกเราเป็นคารวาสอย่างน้อยมีหินเนี่ย เราจะอยู่ที่ไหนในตังคมเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวแม้เราอาจะไม่รวยเท่าเขาแม้เราอาจะไม่มีชื่อเสียงเท่าเขาแต่เราก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะเรารู้ว่าอทำในใจของเราอย่างน้อยก็มีสีนะ่ะแล้วถ้ามันมีสีมันจะมีความพอใจอะพอใจในในชีวิตของตัวเองอพอใจที่เรามีแค่นี้แหละ พอใจที่เราหาได้มาอย่างสุดยิวิตนี่แหละนะด้วยน<ะ>้ำพันดน้ำแรงมาเนี่ยเรามีความปลอยใจเมื่อมันมีความปลอยใจมันจะเกิดความสุขใจนะความสุขใจนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิคือจิตมันไม่ไม่ปุ้สร้า น, นถ้าเราไม่ปอยใจจิตเกิดปุ้มซ่านตังเก่งไหมไม่ปอใจก็เราอยากจะได้เหมือนกับคนอื่นเราอยากจะมีเหมือนคนอื่น อยากจะได้นั่นได้นี่ไม่หยุดนะจิตมันจะฟุ้งนะแต่ถ้าจิตเราคอยใจเนะี่ยมันจะไม่ฟุ้งเ ห, เห็นเห็นคนอื่นก็มีมากกว่าเราก็คอยใจในสิ่งที่เรามีเนะี่ยจิตมันจะไม่ฟุ้งเห็นก็ อ, อื่นได้ดีกว่าแล้วก็อนุโมทนามุติตาด้วยนะไม่ได้อิจฉาเขาเนี่ยจิตมันจะไม่ฟุ้งต้านจิตมันไม่ฟุ้งต้านะ่ะจิตมันสงกจิตมันก็จะ มีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นมาเราจะทำอะไรเรวก็รับผิดชอบกับให้ดีที่สุดนะจิตก็จะเป็นสมาธนะิในการทําการทำ ง, งานต่างๆได้อย่างปกติคนระับเมื่อเรามีสินดีมีสมาธิดีนะมีสติเข้ามากํากัดในการใช้ชีวิตนะเนี่ยก็จะเห็นนะเราจะเห็นชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจนะเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆ ต้องพ่เขีนท่านบอกว่าสติเหมือนเป็นนักศึกษานะเป็นนักศึกษาคอยอ่านตำาคอยเรียนหนังสือคอยคิดพิจารณาเราศึกษาสิ่งใดไปบ่อย เ, อเราก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นนะกเกิดความเก่งมากขึ้นถ้าเราศึกษาชีวิตของเราบ่อยๆอะ่ะเราจะม่เก่งหรอเราจะมีชนานาญหรอเนะนี่ยเราก็เกิดความชำนาญเกิดความเก่งมากขึ้น เกิดความทะลุผูคในชีวิตเรามากซึ่งแต่บางทีเรามักจะลืมศึกษาตัวเอง<ม>นะอันนี้ปนะัญหานะสติจะทำให้เรากลับมาศึกษากลับมาเห็นเห็นอะไรเหมือนที่เราได้สวดสติปัญฐานนสวดนะเห็นเราพิจารณากายอยู่เป็นประจําพิจรณาเวทนาเป็นประจําพิจนาจิตจะเป็นใบจำหรือพิจนณธรรมอยู่เป็นใบจำนะ มันก็จะเห็นเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นกายภายนอกบ้านเห็นกายภายในบ้านเห็นอาการเกิดขึ้นของกายบ้างเห็นอาการตั้งอยู่ของกายบ้างเห็นอาการตับไปของกายบ้างเรียกว่าอะไรเห็นความเปลี่ยแปรอ่าที่มันแสดงในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตก็ดีในธรรมก็ดีให้มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงแสดงให้ อัดเบียดหมุนเวียนไปนเรื่อยเนาะอย่างตายเราเองก็เปลี่ยนนะจากนอนก็มายืนอมานั่งมายืนมาเดินอก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะอีเตีย์โก็เปลี่ยนไปเรื่อย streaming. หายใจเข้าหายใจเข้าไม่ไหายใจออกก็ไม่ได้หายีจออกแม่หาจเข้าก็ไม่ได้ตาจะดึงตลอดก็ไม่ได้บางทีก็ก็ปิดตัวมันเอง นั่งของท่าใจบ้าสบายแล้วไม่นานมันก็ไม่สบายแล้วเนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายเห็นความทุกข์ที่อยู่ในกายนะเห็นว่ามันต้องบำบัดทุกข์แบบไหนมันก็เห็นนะเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปในในกายที่เราดูอยู่เป็นวันนี่แหละพอเห็นแล้วมันจะเห็นอ๋อความไม่เที่ยงเป็นแบบนี้มะกความเป็นทุกข์เป็นแบบนี้มะ บังคับได้ไหมบังคับให้มันไม่กระพริบตาได้ไหมบังคับให้มันหายใจเข้าลึกๆแต่ก่อนเวลาได้หรือเปล่าบังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมนี่ถ้าเราพิจารณาโดยเนี่ยเราบกงคับไม่ได้พิจารณาในที่นี้ให้มันลึกๆถึงจิตใจเลยนะถ้ามันถือใจเนี่ยมันจะยอมรับแต่ถ้ามันยังถือแค่สมองเนี่ย มันแต่เหมือนเหมือนรู้นะรู้แต่ไม่ยอม <c oughs> เออรู้อยู่นะว่ามันเป็นนะแต่เราไม่ยอมลับคล้าย <c oughs> เหมือนกับคนเล่นกีฬานะผลตัดสินออกมาจะวเองแพ้ละออนะรู้อยู่ว่าเขาตัดสินว่าแพ้แต่ใจไม่ยอมลับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนะอะไรเกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยบางที เราไม่ยอมรับมันนะไม่ยอมรับความแก่ไม่ยอมรับความเจ็บไม่ยอมรับความตายเมื่อเราไม่ยอมรับเราก็ทุกข์ทุกข์ก็เราฝืนแต่ไม่ใช่ว่าเรารักษาไม่ได้นะเรารักษาเราดูแลแต่ใจหนึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นไปของมันด้วยเหมือนคนเจ็บไข้ไี่ป่วยไปหาหมอไปกินยาไปรักษาก็ทะแต่ใจเราก็ยอมรับด้วยว่า มันก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของร่างกายนะเราก็แค่ดูแลแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วมันไม่หายมันจะตายก็ต้องยอมว่าเนี่ยนะไม่ใช่ดิ้นรนนะขัดขี่็นทั้งทุกข์ทรมารใจแบบอันนี้ยคือเราจะเห็นนนแะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในร่ายนี้เกิดขึ้นในร่างอื่นๆก็เหมือนกันนะ แต่เราได้ยินข่าวเวลาเราได้ดูโทรทัศน์เวลาเราได้ภาพจากใครถึงความแก่ความเจ็บความตายของผูอื่นเราก็สามารถน้องเข้ามาใส่ตัวได้นะอแต่ในสมันพนะุทธกาลนีะบางทีคนที่เ้าพิจารณาธรำอยู่เป็นประจํานะเดินไปนะเห็นใบไม้ร่วงหลดลงมาเนะี่ยใส่ข้น้องไปทำก็ได้นะเห็นใบไม้ ที่เหนียวแน้นแล้วก็ร่วงรยลงมาเห็นตัวเองเห็นชีวิตตัวเองว่าเออมันก็มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายกับนั้นเหมือนกันนะน้องก็มาใส่ตัวศนะาสตร์ทำได้ว่าโอเปนั่นอะีโกนะเห็นสิ่งตา่างน้องก็มาเกิดตัวนะน้องก็มาใส่ตัวเห็นคนอื่นเจ็บไม่สบายใช่ใจตายน้องเข้ามาใส่ตัวซึ่งชีวิตเราก็อาจจะเป็นมีวันนั้นเหมือนกันวันที่เจ็บ วันที่ตายนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะเหลือกี่วันเราก็ไม่รู้นะถ้าคนที่น้อมติดงต่างๆเข้ามาใส่ตัวนะจะใช้ชีวิตแต่ไม่ประมาณทแต่ถ้าคนที่อยากจะ น, นอ้อมแต่วัตถุภายนอกเข้ามาใส่ตัวเนี่ะจะใช้ชีวิตแต่ประมาทนะแต่ถ้าคนที่รู้จักน้อมทำเข้าขมาใส่ตัวเนะจะไม่ประมาทนะไม่ประมาทเพราะอะไรไม่ประมาทเพราะว่า เราเห็นว่าสิ่งต่างๆมันมันไม่เที่แทนแน่นอนนะแม้เจะหาเงินทองติงของมากขนาดไหนก็ก็ไม่สามารถเอาไปได้นะก็มีบางคนก็ก็แย้งกันมานะว่าเอาไปไม่ได้ก็จริงนะแต่ก็ทำไว้ให้ลูกทำให้ให้ล้านนะใช่ไก็ใช่อยู่ก็ถูกเหมือนกันแต่บางทีเราก็ทำให้กับเขาไม่รู้แต่ไรู้บางคนเนี่ย เขาอยากเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> บางคน ท, ทำให้กับลูกมากมายนะแต่บางทีลูกเขาอาจจะอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะแต่บางทีพ่อแม่บางคนก็นยังสนุกสนาหรือว่ายังคาดหวังว่าลูกต้องมาทำแบบนั้นต่อซึ่งที่จริงก็เราก็ไม่ได้ผิดตับก็เป็นเจตนานดีของเราแต่เราอาจจะต้องพิจนารณาด้วยถึงว่าที่เขาทำต้งหมดเนี่ย มันก็เป็นเรื่องแค่วัตถุข้างนอกแต่เราทําเรื่องของจิตใจตัวเราเองหรือเราเปลี่ยนฟ้องเรื่อจิตใจให้กับลูกเขาด้วยปากใช่ไหมเพราะบางทีเงินทองเป็ี่ยนฟองไปแล้วมันก็เป็นดักระทานเป็นแค่ให้เรามีโรงพยาบาลมีเงินในปัจจุบันนำมีก่อนเหมือนที่เบอกว่าเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลาน ส่งส่งถึงเอาส่งถึงหนุ่มศพนะบุญกุศลส่งถึงชาติหน้าภาวนาส่งถึงวิพานมันเมันส่งไปมันมีรดบการที่ส่งไปต่างกันะเงินทองก็ส่งถึอแค่โรงพยาบาลถึงการรักษาที่ดีที่สุดที่เราสามารถมีเงินมีทองรักษาได้ลูกหลานก็ส่งถึงเราถึงแค่เชิญสักกรถึงศพเท่านั้น บุญกุศลก็อาจจะส่งผลถึงชาติหน้านเราทําบุญชาตินี้บางทีก็ได้ชาตินี้ด้วยแต่บางทีก็ได้ต้องรองผลชาติหน้าอหรือชาติต่อไปก็มีนะบุญกุศลที่ทำนะอื ừ. บางคนเขาแบบมีสุภาษิตเล่นๆมาบอกนะไยทําบุญสวยชาติหน้าะทําหน้าสวยชาตินี้ <c oughs> ทำบางทีได้บีก็ เป็นเขาก็คูณแต่นิดๆนะแต่ก็อนคูณก็ส่งก็ส่งไปแบบนั้นนะแต่ก็ในการภาวนาเนี่ยก็ส่งถึงวิญญาณเลยนะอืมางทีทําบุญมันก็ก็จะเป็นคนดีที่จะเห็นว่าการเกิดนะพระโตตรามาบอกการเกิดทุกข์ขาก็เป็นทุกข์ก็ลำไปเพราะว่าแม้ทําดีแต่ถ้ายังยึดดีอยู่มันก็ยังทุกข์มันก็ยังทุกด้วยความดีนะมันก็แต่การภาวนา สมเราถึงนะวิพาณสมที่เรานะไม่ยึดติดในสิ่ง ต, ต่างๆได้นั้นเราก็ต้องคอยดูตัวเองนะคอยดูตัวเองว่าสิ่งที่เราทําให้กับตัวเองหรือสิ่งที่เราทําให้กับคนที่เรารักเนี่ยเราจะเราทำสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่์ของแล้วเราได้ให้สิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจกับเราไหมนะเราได้ให้เวลาในการ หาสมบัติในใจของเราหรือเปล่านอกจากสมบัติภายนอกที่เราก็พอมีแต่สมบัติในใจเรานะั่ น, นะ น, นะนที่เขาเรียกโอมเรียกว่าอนุญาตพักพักภายในพักภายในที่ไม่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่นะไหม้พักภายในที่มันจะเป็นที่พึ่งให้กับจิตใจเราจริงๆอะ่ะเรางีหรือเปล่านะตัมที่เราสามารถพึ่งได้ตอนที่เราแก่นะ ภาัพที่เราสามารถขึ้นได้ตอนที่เราเจ็บภาัพยที่เราสามารถขึ้นได้ตอนที่เราจะตายนะบางทีหมอพยาบาลลูกหลานก็บางทีก็ดูแลเราดีนะแต่บางทีถ้าเราแต่บางทีก็ไม่สามารถที่จะช่วยถึงใจเราได้ทั้งหมดหรอกนะบางขณะเราต้องอยู่ตอนบนเตียงคนเดียวบางขณะเราต้องอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ย คนอื่นช่วยเราไม่ได้เนี่ยมีแต่ใจเรานะไปที่พึนะ่งเราได้มีพักตอนนั้นแล้วอะไรอย่างนะเพราะตอนนี้หรือไม่ตอนที่เราจะตายเราก็ไปคนเดียวนะไปตามบุญตามกุศลที่เราทนะาารรํานะสามีภรรธุยาลูกหลานนะเขาก็ทําบุญทำกุศลทําการของเขาเองไม่รู้จะไปทีกันหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเราพบกันชาตินี้ชานิหน้าจะไปพบกันหรือเปล่าก็าไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องดูนะ ทรัพยนะ์สินสมบัติที่เรามีภายนอกแล้วทรัพย์สมบัติภายในใจของเรามีแล้วหรือยังหรือทรัพย์สมบัตนะิภายนอกที่เราพยายามหาให้กับลูกให้กับหลานนะเราได้ให้สมบัติทรัพย์ภายในให้กับเขาแล้วหรือยังนะให้เขารนะู้จักคุณค่าของชีวิตให้เขารู้จัก ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ได้อย่างอันนี้เราก็ต้องพิจรานนรณาเนาะพระอง์ก็สอนต่อน่ะบอกว่าถ้าเรามองเห็นประโยชน์ที่เราจะทําให้กับตัวเองก็ตามหรือเราจะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ตามหรือเราจะทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ตามนะทั้งประโยชน์อตอนทั้งประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็ตามเนี่ยเราต้องทําอย่างไม่กวมาจนะเราจะมองเห็นทุกประโยชน์ อของขตนก็ตามก็คือทําประโยชน์ตนนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะี่อันนี้ความไม่ความประมาทก็คืออะไรทําอย่างมีสตนะิทําอย่างที่เรียกว่าเรารู้สึกตัวขณะที่ทำเรนะาจะทําในรก็แล้แต่นะอย่างที่ว่าเจดิน์นี้ใส่แต่ละคนแตกต่างกันบางคนอาจจะมุ่งที่ประโยชน์ตนบานะงคนแบบนี่ออกขวดตบลุกพ้นใจไปก่อน ผลไปก่อนก็ทําทได้นะถ้าทําได้แต่ก็ต้องทําอย่างมีสติจริงๆไม่ใช่ทาอย่างเก็บแกะตัวนะคําว่าทําประโยชน์ตนให้ให้ถึงพร้อมนะก็คือว่าเราคิดว่าสักภาพของเราหรือชีพของเราเนะี่ยเราอยากจะพ้นแต่ความทุกข์เราก็ตั้งใจปฏิบัติทำให้ถึงที่สุดนะทากิจที่เราจะพ้องอย่างดีที่สุดนะแต่อาจจะไม่ได้นเน้นที่การช่วยคนอื่นนะครับ การเน้นที่ท่านช่วยตัวเองนี่้นแต่ความทุกไปก่อนซึ่งก็ก็อาจจะไม่ใช่ว่าผิดเสียทีเดียวเพราะว่าอย่างพุะพุทธองค์ท่านก็คิดว่าเราอยู่ในพระราชวังนี้ก็ต้นแต่ความทุกข์ยากออกบวชเล็กหน่อยก่อนนี้นมีครอบครัวละหน้าที่การงานที่เป็นราชกาญยากไปออกบวชก่อนแต่ก็คิดว่าจะทําตัอีกงที่พ้นแต่ความทุกข์ก่อน แต่จะหาคุณทรัพย์ตัวเองให้เจอก่อนค่อยไปสอนคนอื่นอันนั้นก็ก็เป็นปฏิฐานที่ท่านตั้งไวนะ้น่ะก็ไม่ผิดนะ่นะท่านก็ไปสแสวงหาจนท่านก็ถึงได้จริงจริงหรือบางทีก็มีบางวิธีที่อาจจะไม่ต้องหนีก็ได้นะแม้เราทำประโยชน์คนให้กับผู้อื่นนะแต่เราทำา้วยความศีระนะ่ะทำด้วยความไม่เห็นแก่ตัวนะทำแล้วก็สนัจริงๆนะ ตลาดความตนันนิ่เหนียวตลาดความยึดมั่นหรือมั่นไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลียตัวเองเหมือนกันนะอขัดเกลียตัวเองเนี่ยทั้งเออบางทีเราทําให้ทําให้กับผู้อื่นอย่างเนี้ยจนไม่ตัวนบนของเราลดลงไปจนทั้งหมดไปก็มีเหมือนกันนะหรือบางทีเราก็ทําทั้งสองส่วนนะทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปด้วยที่ความให้ประมาทนี่ยมันก็สามารถค่อยๆลดลนะ เนะี่เยเครียดเราไปแต่จิตใจของเราได้เพราะที่จริงทำทั้งหลายเนะี่ยถ้าจะเปรียบเคียดก็เหมือนกันเป็นเป็นน้ำที่คอยชำระร่างกายของเราให้ให้สะอาดขึ้นนะให้บริสุทธิ์ขึ้นทำก็เหมือนกันก็เป็นการชำระจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นนะทำทุกอย่างแหละนะเราก็ตื่นทำนะ่ะแต่ก็อยากเปิดปากนี่แหละถ้าเราจเจริญสตินะ สติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นธรรมธรรมที่มีอุปการะมากมีอนิสงส์มากนะสติแท้ตาปัญญาเนีเป็นธรรมที่มีอุปการะมากมีอนิสงส์มากมันจะดึงกุศลธรรมต่า ง, างๆนะเข้ามาแยกแยะมากมานะถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะละอายความชั่วเราปวดความบาสนะเราจะไม่กล้าทําการละอายความชั่วกลัวบาปไม่กล้าทํานะี่ มันก็ไม่กล้าทาผิดศีลศีลมันก็มีเอง น, นะแต่ติมันจะเห็นเวลาเราคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ห้ามความคิดไม่ดีนั้นได้แต่เราละอายแต่เวลาเราคิดไม่ดีเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้แต่แตพอเห็นเมืม่อเราคิดไม่ดีมันแต่ละอายไปอย่างได้ของคนอื่นแนละ้วเนาะไปละอายเนี่ยไปไปดุด่าบ้าด่าตบตีคนเนาะมันก็อาจะคิดได้นะคิดได้แต่พอเราเห็นแนละ้เราละอายใจ ากาใจตัวเองก็ไม่กล้าทำนะเมื่อมันมีสิ่มันจะรู้ทันความคิดนะเราก็จะมีหิติดโขตัดปาความระอายเสีย ใ, ใจไม่กล้าทําผิดเมื่อลาอายแล้วก็ไม่ไม่ทำนะหรือบางอย่างมันไม่ทันเผลอผิดไปแล้วนะมันก็จะมีสติรู้ทันว่าอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะแก้ไขไม่ได้ก็มองเป็นธรรมชาติมีนผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้ จปทุกข์ใจทำไมนะเผลอทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ก็วางก็ปล่อยวางแติก็ช่วยเราปล่อยวางไม่เอาความคิดมาซ้ำเ ah ติมตัวเองบางคนเป็นคนดีแต่เอาความคิดมาซ้ำเ ah ติมตัวเองแล้ก็ทุกแล้ก็เศ้าใช่ไหมหรือเอาความคิดหวงังความาัค่าสูญเสียปล่อยวางไม่ได้ก็มาย้อนทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ ไม่น่าจากเราไปเลยนะมันก็จะเป็นความผิดที่ย้อนกลับมาหรือเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะมันก็เป็นความผิดที่เราออมาทิ้งแทนตั เ, เองนะแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตั้งใจทําใหม่นะตั้งใจไม่จะไม่ทำผิดอีกนะก็ตั้งใจนะเมื่อเรามีสตินะเราก็จะวางวางอาดีตได้นะ หรือว่าก็เอามาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณนะ์ในชีวิตของเราได้นะชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะทั้งตัวศีลเอตัวสมาธิเองหรือตัวปัญญานะมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆจะเกิดความเข้าใจนะเกิดความแยกแยะได้ว่าอันนี้คืออู่อันนี้คือนาำนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นสมมติอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความจริงแท้นะ บางกีเราก็ติดกัสมมุตินะถ้าเราติดจริงอันนี้สมมุติเป็นแบบไหนอันนี้ความจริงแท้เป็นแบบไหนเห็นไหมสมมุตินะสมมุติในหน้าที่ต่ามตานั่นก็สมมุตินะะแต่บางกีเราก็ติดว่าเราเป็นนแต่บางทีเราก็ต้องวางนะเช่นแต่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็จริงนะแต่ตอนนี้ลูกคือ่กับเราไหมบางคนลูกอยู่เลยเราไม่ได้เสกเยอะแต่ตอนนี้ลูกเขอยู่บ้านนะ แต่บางทีเราไปคิดห่วงลูกเน็ตเนี่ยเราว่าเอาสมมุติมามันมายิดจิตไปแล้วนะเราก็าาทําหน้าที่ตอนอยู่กับเขาตอนเกี่ยวข้องเขาเราก็ทําหน้าที่โดยสมมุติแต่บางทีเราก็มีชีวิตที่วิมุติบ้านนะวิมุตปลุดออกมาบ้านนะปลุกออกมาจากห่วงเพราะนั้นบ้านนะอ่าพระพุทธเจ้าพอลูกพ่อเนะี่ยท่านเจ็บอะไรามมดาหุนห่วง เอมีมีลูกก็ห่วงนะห่วมรูกมีสามีมีภรญยาก็ห่วงนะมันเป็นห่วงที่ถูกล้างไว้นะแต่ที่จริงถ้าใครรู้จักก็เป็นห่วงเลยก็จะแก้ห่วงได้ก็มีนะแบบทําหน้าที่แต่ไม่เป็นห่วงจนกรท่านัวเองจมจนทุกไปเรื่อยนี่เนาะให้เราลองสังเกตดูแล้วก็เรียนรู้ดูให้เราเอาธรรมะนะ ไปใช้สดชีวิตชีวิตเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราเาธรรมะไปใช้ทั้งกับตัวเราเองแล้วถ้าเอาธรรมะไปใช้ทั้งกับการงานที่เราเกี่ยวข้องเอาธรรมะไปใช้ทั้งกับหน้าที่ที่เราต้องทำํำถ้าเราสามารถเอาธรรมะไปกลมกลืนับชีวิตได้เนี่ยการปฏรรริบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ยากนะก็ะไม่ได้เกิดวิสัยของเราล เราก็จะเห็นว่าเรื่องทีจริงธรรมะมันก็สามารถเข้าไปในชีวิตของเราแล้วเราก็เห็นผลได้ทีชีวิตจิตใจของเราดีขึ้นแบบไหนหรือถ้าชีวิตจิตใของเราใจเย็นขึ้นสงบขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนรอกข้างเขาก็จะสัมผัสได้เนีถ้าเราใจเย็นขึ้นเราสงบขึ้นเรามีสติมากขึ้นเนี่ย คนรอบข้างเราในครอบครัวเราเองก็ดีในที่ทํา ง, งานเราเองก็ดีเขายังสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะแล้วความเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะ่ะจะเป็นตัวโฆษณาที่ที่ดีที่สุดนะนะโฆษณาวัาธรรมดีแบบไหนกนะารปฏิบัติธรรมดีขนาดไหนบางกีเราอยากจะชวนคนนั้นคนนี้มาปฏิบททตัติธรรมใหตคนนั้นตคนนี้เข้าวันนะแต่ชวนเท่าไหร่ก็ไม่เห็น เ, าเ้าสนใจเลยเพราะ บางทีเราเองก็ยัไม่ได้ทำตัวที่เขาหน้าสนใจนะ ม, มันก็เลยถ้าเขาไม่สนใจติดตุนอยู่แล้วมางทีก็ยากนะแต่ถ้าเราเองทาตัวเราไม่น่าสนใจเนยะการชวนคนอื่นการอบอกคนอื่นมันก็จะง่ายนะเนี่ยมาว่าคิดว่าถ้าเราทําตัวของเราเองให้ให้เกิดผลคนรอบข้างเขาก็ยังเห็นผลนะแม้จะมากหรือจะ น, น้อยก็ตามตาหนักที่เราสามารถ ได้ น, นี่แหละคือสิ่งที่ที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้ดูนะการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นแค่แค่เราทำในรูปแบบนะแต่เราไปใช้นะในทุกขณะบางขณะเผลอไปบ้านก็ไม่เป็นไรนะเผลอไปแล้วก็เอาในานะในทิสใจของเราจะให้ไม่เผลอให้ไม่หลงให้ไม่ผิดเลยมันมันเป็นไปได้ยากนะแต่ผิดไปแล้วเรา เรียนรู้เอาเขาเป็นครูผิดไปแล้วแก้ไขผิดไปแล้วตั้งใจใหม่เนะี่ยแม้สื่อมันจะเป็นวิสัยที่เราทําได้แล้วก็ให้เราพยยังทํายิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นผลด้วยตัวของเราเองนะหรือว่าคนข้างๆก็จะเห็นผลด้วยตัวของเขาเองนั่นแหละใน ป, ปากๆของเราไหมครับ